นะก็จะทำแบบมียานสังวรนี่คือข้อที่สามข้อที่หนึ่งศีลสังบรข้อที่สองสติสังวรข้อที่สามก็คือยานสังวรบบางทีเอ่อบางคนก็งงๆอยู่ยานเนี่ยมันยังไง <laughs> ไม่ใช่หย่อนยานนะไม่ใช่ป้องกันความหย่อนยานของตัวเองเอาไว้ยานในที่นี้ภาษาอะไรภาษาพระนะยอหญิงสละอาแล้วก็ นอนเนนนะยานในที่เนี้ยานแปลว่าแหมยานแปลว่าเพ่งเผาตบาอันนั้นตาบายานอา้าวยานนี่แปลว่ารู้อา้าวใครแปลว่าอะไรอีก <S <S ความเข้าใจอะ่ะความเข้าใจของเราคําว่ายานเนี่ยเราเข้าใจว่ายังไง อ, อันนี้อันนี้อย่างรู้อา้อาวอ้าวแล้วอะไรอีกมีมีมีใคร มีคำตอบอย่างอื่นไหมญาณนี่จริงๆริก็คือเนี่ยแหละจะคุณจะบอกว่าความอย่างรู้หรือจะเป็นความรู้ก็ตามแต่ไม่ใช่ความรู้ธรรมดาญาณนี่คือความรู้ที่เราเนี่ยสมมุติเรามีศีลสังวรแล้วเรามีสติสังวรแล้วเราก็ลงมือต่อสู้ปฏิบัตินะสู้กับไอ้กิเลสตัวนั้นๆนะ่ยนะสู้กับความ เออเลวร้ายความบกพร่องของเราในเรื่องนั้นๆเราพยายามต่อสู้พยายามเอาชนะในขณะที่เราต่อสู้นั่นแหละคุณจะมีความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไอ้ความรู้ที่คุณเข้าใจเนี่ยว่าโอ้โหเออใช่นะแต่ก่อนตอนที่เราเาติดแล้วเราก็ชอบทุเรียนอยู่เนี่ยนะโอ้โ oh, ห oh, เรารู้สึกอย่างนี้อย่างยงี้โอ้โหแต่พอเรามา ปฏิบัติเนี่ยมันก็ยากมันก็ลําบากมันก็ทรมานเหมือนกันนะแต่พอเราสู้แล้วเนี่ยอตอนลําบากลําบากเนี่ยพอเราสู้แล้วเราชนะเนี่โอ้โหมันโลง่งมันสบายมันเบากว่ากันยังไงเนี่ยคุณจะมีความรู้พวกเนี้ยความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติได้ความรู้ความเข้าใจจากการที่เราปฏิบัติได้ด้วยตัวของเราเองในเรื่องนั้นๆเนี่ยมันเกิดยานขึ้นมาเกิดความรู้อย่นี้ เพราะนั้นยานสังบอนเนี่ยหมายถึงว่าเราก็จะต้องป้องกันเอกความรู้ดีอย่างเงี้ยของเราป้องกันความรู้ความเข้าใจที่เราทําได้ทําได้ทําได้หรืออาตมาจะใช้คําว่ามักผลเนี่ยผลที่เราทําได้เนี่ยนะผลผลที่มันเกิดจากคุณทําสําเร็จจะมากจะน้อยแล้วแต่นะถือว่าทําสําเร็จสักสิบเปอร์ซนต์้าสิบเปอร์ซแต่มันเป็นผลที่คุณทําได้จริงๆ คุณสู้กับกิเลสตัวนั้นตัวนี้เราได้มาจริงๆชนะแล้วคุณเห็นผลเลยว่าโอ้โหเกิดขึ้นกับจิตใจเรายัางไงบ้างแล้วคุณจะป้องกันไอ้ไอไอผลที่คุณทําได้เนี่ยคุณจะป้องกันให้มันรักษาไว้ที่จะให้มันแบบว่ามันจเจริญขึ้นมันเพิ่มขึ้นอย่างไงบ้างอย่าให้มันเสื่อมลงถ้าเป็นญาณที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิไม่มีเสื่อมลง มีแต่จะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเื่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับยกตัวอย่างง่ายงแต่ก่อนคุณกินเนื้อสัตว์อยู่นะส่วนใหญ่ในที่นี้คิดว่ามีแมมใครกินมังสวิรัตตั้งแต่เกิดเลยในที่นี้มีัหมคงไม่มีนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะต้องเคยกินเนื้อสัตว์มาแล้วแล้วพอเรามาเลิกเห็นไมดูนะบางคนอาจจะเลิกง่ายบ้างบางคนอาจจะเลิกยากบ้างแต่เลิกแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่า เออเลิกแล้วมันเป็นยังไงบ้างท้องไส้เราเป็นยังไงบ้างอารมณ์อาการของจิตใจเราเป็นยังไงบ้างถ้าคุณมียานที่คุณรู้จริงคุณไม่ได้กินเพราะบอกแล้วนะไม่กินเพราะหลงงมงายไปแบบเชื่อถือโชคลางเขาให้กินก็กินหรืองมงายไปแบบอะไรกินสะด เ, เ, ออเดาะเคาะเอ่อเดี๋ยวเขาบอกว่าโชคร้ายหรืออายุจะสั้นเพรา ะ, ะนั้นก็เลยกินเจหรือกินบางสิบลัจะได้อายุยาว หรืออันนี้เนี่ยมันมันเชื่อไปตามที่ที่เขาหลอกหรือว่าเชื่อไปตามลัทธิาศาสนาอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะเอ่ยอ้างไปแต่อันนั้นบอกแล้วอันนั้นไม่เรียกว่ายานไม่เรียกว่าความรู้ของเราถ้าจะเป็นความรู้จริงๆของเราเนี่ยเราปฏิบัติเสร็จเราเลิกลดละเสร็จเราเข้าใจอย่างสัมมาทิฐิตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเข้าใจอย่างถูกต้องเลยว่าอ๋อกินไปแล้วนี่มันดีต่อ สุขภาพร่างกายเราอย่างนี้จิตใจเราก็รู้สึกว่าเออมันผ่องใสขึ้นไม่ต้องไปเบียดเบียนใครชีวิตสัตว์อื่นในโลกนี้อีกโอโหจิตใจเรารู้สึกว่ามีเมตตาเพิ่มขึ้นแต่ก่อนเคยโกรธเคยโมโหเคยคิดเกี่ยวคนน้นคนนี้ในแง่ร้ายๆในแง่แบบว่าอืหจะฆ่าจะแกงจะอะไรเออเดี๋ยวนี้เราเบาลงต้องเยอะเนะี่ยมันลดลงจริงๆพอเรามากินบางสิวิลัสได้มากินเจได้ โอ้ร่างกายและจิตใจเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้นเนี่ยเคนเนี่ยรู้ด้วยตัวเองจริงๆเข้าใจจริงๆถ้าคุณเข้าใจแท้ๆช ắt, ๆัดๆอย่างเงี้ยอาตมาบอกได้เลยคนนั้นน่ะนับวันจะกินเอ่อมังสวิรัตหรือกินเจเนี่ยได้บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพราะสัมผัสได้ด้วยตัวเองว่าโอ้โหยิ่งทําได้เนี่ยยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งผ่องใส ย, ยิ่งสบายอย่างนี้คนนั้นจะไม่มีถอยลงเลย อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือยานสังวรคือทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าโอ้ปฏิบัติแล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆไม่มีถอยแค่นะแค่ศีลห้าเนี่ยผู้เจ้าตัดเลยถ้าใครถือศีลห้าได้บริสุทธิ์บริบูรณ์จริงแล้วคนนั้นเที่ยงต่อการตัดสูุไม่มีเสื่อมไม่มีถอยกลับไม่มีล่นลงมาอีกจะแบบว่า แย่กว่าศีลห้าลงมาไม่มีมีแต่จะขึ้นไปจากศีลห้าจะขึ้นไปศีลแปดขึ้นไปศีลสิบขึ้นไปศีลพระนู่นแต่ว่าจะช้าหรือเร็วแล้วแต่ความสามารถแล้วก็แล้วแต่วิบากกรรมของแต่ละคนที่จะเจอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีถอยลงมาอีกเลยเพราะนั้นยานตัวนี้แหละแล้วไม่ใช่แค่ชาตินี้นะถ้าคุณมียานเกิดขึ้นกับตัวคุณเองจริงแล้วจะกี่ชาติจะชาติไหนก็ตาม เหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านได้สะสมบารมีได้สะสมญาณความรู้อันพิเศษต่างๆเนี่ยเอาไว้ในตัวท่านเนี่ยมากมายดูสิเกิดมาเนี่ยโอ้โหอะไรอะไรสบายไปหมดเลยนะมีสิ่งยั่วยุมีสิ่งหลอกล่อหมดทุกอย่างเลยแต่ในที่สุดเนี่ยจะแบบว่ามาครอบงําท่านไม่ได้พอถึงเวลาที่ญาณเนี่ยเริ่มเริ่มเริเริเริเริ่มเริ่มพูดยังไงปะเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นตามที่ท่านมีอยู่เพราะว่า พอเกิดมาใหม่ๆเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเคือญาติคนใกล้ชิดเขาเขาเป็นยังไงหรือเขาทำมายังไงเนี่ยเขาก็ให้เราทำตามอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะบางอย่างที่ไม่ดีหรือว่าไม่เหมาะไม่ถูกศีลไม่ถูกทำอะไรแต่เขาเขาคิดว่าดีนะเขาก็จะให้เราทาตามอย่างนั้นแหละต่อเมื่อเนี่ยถึงบอกว่าพอยานที่มีอยู่ ความจริงที่เราได้มีมรรคผลที่เราทําได้นี่ยมีอยู่อะไรกลบไม่ได้อะไรฝังไม่ได้เพราะในที่สุดเนี่ยมันมันก็จะชดช่วงมันก็จะสว่างขึ้นพอปรากฏขึ้นเมื่อไรเมื่อนั้นน่ะไอ้สิ่งต่างๆที่ครอบงมอยู่เนี่ยโดนกว่าทิ้งหมดอะอะไรก็ขวางไม่อยู่แล้ะอะไรขวางไม่อยู่เลยอะจริงๆ จ, จะมีคนมาบังคับให้คุณกินเนื้อสัตว์มีคนมาบังคับให้คุณเลิกถือศีล นะบังคับให้ไปทำเลวทำร้ายตามศีลที่เรามีอยู่เนี่ยบังคับเรายังไงเราก็ไม่ยอมทำผู้เจ้านี้ท่านตรัสเลยว่าผู้ที่มีความเที่ยงแท้ในศีลอันนี้แล้วยอมตายซะมากกว่าที่จะยอมเสียศีลของตัวเองจะถึงขั้นนั้นเลยนะแต่พูดอย่างนี้ก็เลยไม่ใช่งงง่ซิร์ฟบางทีก็เลยอะไรนี่ๆหน่อยๆก็เอ้า ยอมตายดีกว่านะัมันจะบางทีมันก็ซื่อบื้อเกินไปนะอันนี้หมายถึงว่าศีลของตนตามฐานศีลของตนมันมันจะเกิดเหมือนเหมือนความยึดดีเกิดขึ้นมาเลยยึดแล้วทำให้แบบยังไงก็จริงๆจะยอมตายมากกว่าที่จะยอมให้เสียศีลหรือว่ายอมตายมากกว่าที่จะยอมให้เราไปทำผิดอย่างนั้นอีกอันเนี้ชัดเจนแน่นอน ถ้าคุณมีจริงนะแล้วคุณจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้อัตมาพูดก็ได้พวกคุณจะรู้ด้วยตัวเองเลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆจะเห็นเลยว่าว่าความตายไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ศีลหรือว่าการที่เราเนี่ยไม่ไปทําเลวไม่ไปทําชั่วได้เรามาทําดีได้โอ้โหยิ่งใหญ่กว่ากันเยอะเลยเนี่ยด้วยยานด้วยความรู้ของเรานะอันนี้เป็นข้อที่สามส่วนข้อที่สี่ก็คือขันติสังบร ขันติคือเออันนี้คงจะรู้นะขันติก็คือความอดทนอดกลั้นนะเพราะนัเราจะป้องกันยังไงให้ความอดทนเนี่อยู่กับเราเพราะส่วนใหญ่จะขันแตก <c oughs> ไม่ใช่ขันติ <c oughs> นะป้องกันไม่ค่อยอยู่อะ่ะขันระเบิดซะก่อนอืมส่วนใหญ่จะแตกซะก่อนเพราะนั้นน็อตจะหลุดอยู่เรื่อย อน็อตหลวมอยู่เรื่อยไม่ค่อยขันน็อตเพราะน็อตจะหลวมที่โดนอะไรนิดโดนติหน่อยโดนเอเจออะไรที่ไม่สมใจน็อตหลุดเลยเพราะไม่ค่อยขันน็อตเพราะนั้นน็อตมันหลวมอยู่แล้วขนเข้ามาส ก, กิดหน่อยเดียวน็อตหลุดหลุดจริงๆนะถ้าเป็นสายโทสะก็หลุดแบบโทสะฟังดูดีถ้าสายโทสะหลุดเลยโทสะขึ้นอาจจะดา่าอาจจะลงไม้ลงมือกับเขาเลย อ่าอันนี้สายโทรศัพท์แต่ถ้าเป็นสายการเป็นสายรัคะเดี๋ยวเนี้ยคนเดี๋ยวเนี้คุณดูดิน็อตหลุดง่ายบางทีจะเจอกันแค่ตาต่อตามาประสบ <c oughs> <c oughs> ใช่หมอ่เท่านั้นเนน็อตหลุดแล้วไปกันเลยไปกันเลยเดี๋ยวเนี้ผู้ชายผู้หญิงวัยยิ่งใบรุ่นทุกวันนี้เสียตัวได้ง่ายมากเลย เพราะว่าแทบไม่ขันน็อตเลยอ่ะเพราะนั้นโดนส ก, กิดหน่อยเดียวน็อตหลุดหมดเลยยิ่งเรื่องกามเนี่ยโอ้โหอัตมาว่าหลุดง่ายเลยหมายถึงว่าทุกวันนี้นะอืมเพราะว่าเนี่ยไม่ว่าจะส ต, ติหรือว่าอะไรที่เขาเอ่า อ, ออกข่าวมาอะไรต่างๆโอ้โหมันแย่มากๆเลยเรื่องกามเนี่ยนะจะเดี๋ยวนี้แค่อายุเท่าไหร่เอง แค่สิบขวบสบอ็ดขวบสบสองขวบอะไรโอ้มันไปกันละแค่นี้เพราะฉะนั้นจะให้เห็นนะว่าประเด็นเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่มีความอดทนอดกลั้นวันถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้นี่มีข้อห้ามเนี่ยมีข้อห้ามมีข้อให้ระวังมีข้อตืนสตินะเยอะแยะมากมายทำให้คนแต่ก่อนนี้เนี่ย จริงๆก็ไม่ใหญ่อยากจะขันติขันเตอะอะไรหรอกแต่มันจำนนมันต้องต้องอดทนไปโดยปริยายแต่คนสมัยใหม่นี้เขาชอบบอกว่าอะไรโอ้บีบังคับกันได้ยังไงต้องอิสระเสรีเขาถึงได้มีการค้าเสรีนะเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวเนี้อะไรอะไรก็ไม่ได้ต้องเสรีที่ประชาธิปไตยอย่ามาบังคับกันอย่ามาขวางกันอย่ามาอะไรกัน เพราะนั้นก็เลยพูดง่ายๆว่าเสรีก็คือทำอะไรได้ตามใจชอบลึกอยากจะทำอะไรก็ทำนะมันถึงได้สังคมมันเลยค่อนไปในทางเละเทะนะเพราะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอัตมาบอกแล้วโทสะเนี่ยเราเห็นกิเลส ต, ตัวนี้ง่ายแล้วเราก็รู้ว่ามันหยาบในะเรื่องโทสะโกรธกันระด่ากันหรืออะไรกันเนี่ยโอ้โหเราเราเห็นได้ง่ายแต่การหรือราคะ ยังเห็นยากอยู่นะยังยินดียังพอใจอยู่นะน็อตหลุดไปตั้งหลายตัวแล้วยังพอใจอยู่เลยน็ <c oughs> อตจะหลุดหมดแล้วระวังอย่าให้น็อตหลุดหมดเพราะยังไงก็หัดไปไอ้ไอ้ห้องเครื่องมือนะ <c oughs> หาน็อตมาใส่บ้างนะแล้วก็หัดขันหัดขันน็อตบ้างนะขันเองไม่ได้ก็ให้เพื่อนเพื่อนช่วยขันให้หน่อยนะ่จะได้ไม่หลุดง่ายอันเนี้ย จริ ง, รงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีความอดทนอดกลั้นนะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเรื่องกิเลสกามไม่ว่าจะเรื่องของโทสะไม่จะไม่ว่าจะเรื่องของอัตตามานณะก็ตามพยายามมันขันทุกวันจะต้องพยายามเพราะฉะนั้นข้อ5เนี่ยถึงได้บอกว่าวิริยะสังวรจะต้องป้องกันความเพียรป้องกันความขยันของตนเนี่ยเอาไว้ให้ได้เสมอเสมอ เพราะส่วนใหญ่ทำไปได้หน่อยจะขี้เกียจเพราะอะไรเพราะมันฝืนใจเราโอ้เรื่องอะไรอะ่ะให้เรามาฝืนใจเราทำไมจะต้องมาอดทนทำไมจะต้องมาอดกัน้นมันด่าเราเราก็ด่ามันสิ <c oughs> เอ้าส่วนใหญ่อะ่ะใช่ไหมเรื่องอะไรอะ่ะมาปากอยู่ที่เขาเราก็มีปากอะ่ะ <c oughs> ทำไมอะ่ะเอา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้อะไรละ คิดอย่างนี้เป็นไงล่ะอ่าสติไม่สังวรแล้วขาดสติอีกแล้วถ้าขาดสติศีล ส, สังวรที่คุณตั้งขึ้นมาพังแน่เนยะเพราะฉะนั้นสติเนี่ยเป็นตัวนำร่องจะต้องรู้เลยสติสามพวชงเป็นตัวนำร่องก่อนเลยในพวชงเจ็ดเนี่ยสติจะต้องนำมาก่อนเลยนะเพราะว่าพอมีสติอย่างนี้เออเราก็เลยพยายามอยู่ในข้อประพฤติข้อปฏิบัติ ที่เราตั้งเอาไว้หรือว่าข้อประพฤติข้อปฏิบัติที่ผู้เจ้าท่านตั้งมาให้หรือข้อประพฤติปฏิบัติของส่วนรวมที่ตั้งไว้ดีแล้วเราก็จะพยายามทําตามเพราะเรารู้ว่าเออถ้าทําแล้วเนี่ยเราก็จะได้ดีหมู่กลุ่มหรือคนข้างเคียงเราก็จะพลอยได้ดีไปด้วยนั่นแหละพร้อมจะมีวิริยะสังวรคือจะมีความเพียรเนี่ยไม่ท้อถอยนั้นล้วพอมาเจอ อุปสรรคเจอปัญหาเนี่ยมันจะไม่หนีง่ายๆไม่ง่า ย, ไ, ยา ไ, ไปสังเกตดูเหอะบางทีเราหนีง่ายๆเลยคำว่าหนีปัญหานี่ไม่ใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเป็นข้ออ้างนะผู้อะไรก็ต้องคอยระวังอยู่เรื่อยเลยอ่าถ้าเขาด่าแล้วเราเร า, เราไปอย่างนี้เราก็หนีปัญหาถึงเพราะฉนั้นเ <c oughs> ขาด่าเราเราต้องด่ากลับเราถึงจะไม่หนีไม่ใช่เพราะในที่นี้เนี่ยที่บอกว่า ว่า เ, เราจะต้องพลากต้องห่างออกมาเนี่ยหมายถึงว่ากิเลสของเราอ่ะถึงแ ม, ม้เขาด่าเราเนี่ยเราไม่โกรธก็ได้นี่เราไม่ถือสาเขาก็ได้นี่หรือเราให้อภัยเขาก็ได้นี่ใช่ไหมอย่างเงี้ยคือไม่หนีไม่หนีปัญหาโดนเ้าด่าก็เอาอยู่ที่นี่ก็ได้เราก็พยายามเปลี่ยนแปลงพยายามพัฒนาหรือเราพยายามทําดีของเราไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หนีปัญหายัางสู้ และปัญหาที่สำคัญที่สุดคือปัญหาที่ตัวเราเองปัญหาคนอื่นนะจริงๆแล้วไม่ได้ทำให้เราทุกข์สักเท่าไหร่หรอกหรือจะไม่ทุกข์เลยก็ได้แต่ปัญหาที่สำคัญคือปัญหาที่จิตใจเราจิตใจเราที่คิดในทางลบในทางร้ายนี่แหละเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เราทุกข์ที่สุดเครียดแค้งชิงชังมันไส้ไม่ชอบใจนี่แหละคือความทุกข์ที่ทาให้เกิดขึ้นกับใจเรา ไม่ใช่คนอื่นทำให้วันถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมีความขยันความเพียรที่จะพยายามทำดีให้กับตัวเราเองจะไม่ไปทำเลวให้ตัวเองเรารู้ละถ้าเราด่าเขากลับโอ้เราเลวนะผู้เจ้าก็สอนแล้วผู้เจ้าสอนนี่ไม่ใช่เลวธรรมดาด้วยนะสมมติว่าเขาด่าเราแล้วเราด่ากลับผู้เจ้าบอกว่าคนที่ด่ากลับเขาเนี่ย เร็วกว่าคนที่ดา่าก่อนคุ <c oughs> จาเอาขนาดนั้นเลยด้วยอออพรานเนี่ยมันจะมีสติแล้วมันจะรู้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เออเรื่องอไรเราจะมาทำเร็วให้กับตัวเราเองเราทำดีเพิ่มกุศลให้ตัวเราเองดีกว่าเราก็จะยิ่งได้ดีมากขึ้นว่านพอคราวนี้นะขอฝากตรงนี้ไว้คุณไปเจออะไรที่ทำให้ไม่ถูกใจไม่พอใจไม่ชอบใจหรือจะไปรักไปติดอะไรที่เป็นกิเลสเนี่ย นะไปหลงใครไปชอบกินอะไรแล้วติดเนี่ยคุณมีสติคุณรู้ตัวแล้วเอเอไอย้ยางงี้ไม่ดีไปติดก็ไม่ดีไปเกียจก็ไม่ดีเพราะนั้นไอ้พวกนี้ไม่เอาจัดการชิงซะอะไรที่ดีอะบางทีโอ้โหลาบากเหมือนกันนะไอจะทาดีเนี่ยต้องฝืนใจหลายยกเลยกว่าจะสู้กว่าจะชนะได้นะก็อาศัยความเนี่ย อาศัยความเพียรเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันความเพียรก็คือต้องมีปิติเนี่ยมียานรู้ก่อนมียานรู้ว่าเอ้ยที่เราทำนี่เป็นความดีนะทำได้ดีแล้วเรายิ่งเรายิ่งผ่องไสเรายิ่งจะเบิกบานในในความดีในธรรมะนี่มากขึ้นนะยานที่รู้อันเนี้ยมันทำให้เกิดปิติแม้ว่าคุณลำบากแล้บางทีคุณฝืนใจอยู่คุณทุกอยู่นะโอ้โห นี่โอ้โหทุเรียนเต็มเลย น, นั่นนี่นี่นมาละเลื่อนมาละเลื่อนมาละผ่านหน้าเรานะแต่วันนี้ตั้งศีลเอาไว้ให้กับตัวเองว่าวันนี้จะไม่กินทุเรียนโอ้โหมันผ่านมาละผ่านมาละผ่านมาละผ่านมาละน้ําลายหยดติงต๋งติง๋งเลยนะแต่โอ้โผ ย, ยายฝืนใจพยายามฝืนใจไม่กินวันนี้ยังไงก็ไม่กินถ้าคุณฝืนใจแบบชนิดนี้ว่า มันค่อยๆผ่านไปนะไอ้ไอ้ทุเรียนเนี่ยก็ค่อยๆเลื่อนผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆคุณก็ฝืนใจฝืนใจไม่กินไม่กินแต่มองนี่ตาละห้อยเลยนะตาละห้อยเลยนะมองโอ้สุดแสนเสียดายถ้าอย่างเงี้ยคุณไม่มีปิติคุณฝืนใจจริงแต่คุณเก็บกดถ้าคุณฝืนใจอย่างนี้คุณเก็บกดเดี๋ยวก็ไม่รอด ลับรองเลยทุเรียนจะไปไกลแสนไกลถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวก็เอากลับมาได้ออถ้าคุณคเก็บกดไว้เดี๋ยวระเบิดเพะั้นถึงบอกว่าจะไปรอดได้เนี่ยต้องมีปิติในการฝืนใจในการต่อสู้กับกิเลสแล้วเนี่ยแล้วคุณจะป้องกันความเพียง ใ, ให้เพียงไปได้ตลอดไปเนี่ยคุณต้องมีปิติโอ้โหนี่เราฝืนใจได้นะวันนี้ไม่ได้กินทุเรียนหิวก็จริงนะเนี่ยโอ้โหขาดอะไรอะ ความสะใจความสมใจเป็นเยอะแต่โอ้โหวันนี้เราชนะกิเลส ต, ตัวนี้เราได้ออืืหยอดเยี่ยมมากๆวันนี้ต้องฉลอง <c oughs> ไม่ใช่ไปฉลองทุเรียนนะวันนี้ต้องฉลองก็คือโอ้โหวันนี้แม่ได้ดิบได้ดีเหลือเกินโอ้โหมีความสุขใจเหลือเกินฉลองเดี๋ยวพรุ่งนี้ตั้งอีก <c oughs> ถ้าคุณทําได้อย่างนี้คุณจะมีปิติแล้วคุณจะมีความสุขเกิดขึ้น นี่แหละจะป้องกัน ร, รักษาความเพียรทําให้ทําได้ต่อๆไปเพราะยิ่งทําแล้วยิ่งมีความสุขยิ่งทําแล้วยิ่งมีความพอใจใครจะไม่ทําอ่ะถ้าคุณยิ่งทําแล้วยิ่งทุกยิ่งทําแล้ ว, ย, ลวยิ่งทุกแหมบอกให้เราไม่กินไม่กินดูที่เนี่ยคนอื่นก็เอาไปกินหมด เ, เราก็เลยไม่ได้กินเลยโอ้เรียกว่าเก็บกดหน้าดูเลยอย่างเงี้ยถ้าคุณคิดอยู่แต่อย่างเงี้ยคุณ ฝืนใจแล้วคุณก็มีแต่ทุกข์ใครอยากจะไปทําแล้วมันจะไปรอดอยังไงไม่มีทางเพราะฉะนั้นอันนี้นะข้อสําคัญในข้อที่ห้าเนี่ยเราจะป้องกันความเพียรของเราได้คุณต้องมีความยินดีพอใจใส่เข้าไปในความเพียรนั้นให้ได้เหมือนกับบางคนเนี่ยอยากสุขภาพแข็งแรงไม่อยากให้มีโรคภัยไข้เจ็บเขาก็บอกว่าต้องออกกําลังกายโอ้อุษาตั้งไว้นะว่าอย่างน้อยวันหนึ่งต้องครึ่งชั่วโมงไม่รู้ละกณจะไปออกกําลังกายวิธีไหนก็แล้วแต่ แต่ไม่เอาท่าท <t ess coffee> <t ess shame> ่าศพนะบางคนก็ชอบเหลือเกินแหมใช้ท <t ess ifi inhale> ่าศพนอนแง่งแมงเลยออกกำลังกายจริงๆจะยืดเส้นยืดสายอะไรยังไงเนี่ยคุณสังเกตไหคนที่มองไม่เห็นประโยชน์มันหรือไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะเห็นเรื่องงานไปทำงานไปไปฟังธรรมไปสนทนาไปอะไรดีกว่ามีประโยชน์กว่า ในที่สุดก็จะขี้เกียจออกกําลังกายเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์แล้วพอพอให้มาทำนะครึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้โหอย่างกับโอ้โหอย่างกับครึ่งวันเลยครึ่งชั่วโมงมันรู้สึกช้านานเหลือเกินทําไมเวลามันผ่านไปนานจังเพราะไม่อยากทําฝืนใจไอตอนทําก็มองเลิกกายอยู่เลยเมื่อไหร่จะครึ่งชั่วโมงทักที <c oughs> ถ้าคุณทําอย่างเงี้ยรับรองไม่นานหรอกคุณจะทําได้ไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวก็เลิกทํา เพราะไม่เห็นจะมีคุณค่าไม่เห็นมีประโยชน์ไม่เห็นมีความสุขอะไรเกิดขึ้นกับเราเลยนะเพราะนะอันนี้ฝากไว้คนที่จะทำความดีแล้วก็ทำไปได้ตลอดแล้วจะต้องเกิดปิติอย่างนี้อิทธิบาศีเนี่ยทำไมทำแล้วสำเร็จเพราะฉันทะเนี่ยความยินดีพอใจต้องนำมาเลยเพราะนั่กูจะทำอะไรได้สำเร็จเนี่ยคุณต้องมีความยินดีพอใจที่จะทาในสิ่งนั้น ก็เพราะความยินดีหรือปิติหรือสุขนี่แหละทำให้คุณอดทนอดกั้นได้ยอมยอมที่จะฝืนใจยอมที่จะลาบากเพราะเดี๋ยวมันได้ความสุขนี้อืมแล้วมันก็ได้จริงๆด้วยถ้าคุณพยายามทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็ได้ความสุขอันนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยนะแล้วก็จะชนะใจตัวเองแล้วในที่สุดกิเลสเราในตัวนั้นในตัวนี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เรามีอยู่ก็จะค่อยๆลดลงความเคยชินอะไรก็ตามที่คุณเคยมีอยู่แก้ได้ทุกความเคยชินที่ไม่ดีของเราเนี่ยแก้ได้ทุกตัวเลยยืนยันได้เหมือนกับในโลกนี้ก็ไม่รู้แล้วนะคนอื่นจะยังไงแต่อาตมาจะพูดอย่างนี้ที่เขาบอกว่าโอ้โรคนี้นี่ไม่มียารักษาหรอกรักษาไม่ได้หรอกถ้าเป็นแล้วตายไม่มีทาง อาตมาก็บอกว่าโรคเนี่ยเมื่อมันเป็นได้ในโลกเนี่ยใดที่สุดก็จะต้องมียารักษาได้ไม่มีว่าโรคภัยไข้เจ็บไหนไม่มียารักษาไม่มีทุกโรคสามารถมียารักษาได้เพียงแต่คุณมีความสามารถถึงไหมเท่านั้นนหะที่จะรู้แล้วก็จะเข้าใจได้ถึงไหมแล้วคุณก็จะรอดได้ เ, เขาบอกว่าเอดไม่มียารักษา แต่คนเป็นเอกทุกคนตายทุกคนหรือเปล่าเออบางคนเขาก็รอดได้ไม่รู้ละเก็จะเป็นมากเป็นน้อยก็แล้วแต่เขาก็ไม่ตายเขาก็อยู่ได้เป็นมะเร็งหมอบอกว่าจะต้องตายในเท่านี้เดือนเท่านี้เดือนอาตายในหกเดือนอะโยมอะไรนะโยมปรานีที่เชียงใหม่พ่อท่านยกเอามาพูดอยู่เรื่อยๆว่าโอ้โหนี่อยู่มาเป็นสิบสิบปีได้ละมึงนี่นไม่ใช่หเดือนอะดูสิ ก็ยังอยู่มาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโรคทุกอย่างหรือกิเลส ท, ทุกตัวแก้ได้ทุกตัวนะแต่นี่อยู่ที่เราว่าคุณจะมีห้าตัวเนี้ยมันฝึกให้กับตัวเองได้ทุกวันไหมถ้าคุณฝึกได้ทุกวันรับรองได้เลยบรรลุธรรมแน่รับรองว่าคุณจะเปลี่ยนไป <laughs> ในทางที่ดีขึ้นแน่นอน อ่ะวันนี้คงพอเท่านี้นะ